การประกวดสวยหล่อจะได้รับผลกรรมอย่างไรถามการประกวดประชันกันเรื่องความสวยความหล่อจัดเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วและจะได้รับผลกรรมอย่างไรตอบลองสมมุติเพื่อให้เห็นอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าเป้าหมายของการประกวดคือแข่งกันเรื่องอัธยาศัยดีและคนดูมีส่วนร่วมให้คะแนน อย่างนี้ใครชนะเลิศก็คงไม่มีใครว่าทั้งนี้เพราะการมีอัธยาศัยดีเป็นเรื่องของการชนะใจคนหมู่มากอยู่แล้วในตัวเองคนชนะจะกลายเป็นแรงบันดาลใจดีๆทำให้เห็นว่าความมีอัธยาศัยดีเป็นสิ่งไม่สูญเปล่าอีกด้วยหากใครคิดอิจฉาคนอัธยาศัยดีก็พอเห็นลู่ทางแข่งขันได้ไม่ยากเพียงปรับปรุงนิสัยให้ดีอย่างเขาบ้าง วันหนึ่งก็ต้องกวดไล่กันทันยิ่งไปกว่านั้นการมีอัธยาศัยดียังเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าต้องทำเอาเองในปัจจุบันคุณต้องพูดคุณต้องประพฤติตัวในแบบที่จะชนะใจคนเป็นเวลาต่อเนื่องระยะหนึ่งไม่ใช่แกล้งทำตุ่มติมแค่วันสองวันแล้วจะมีใครยอมเทใจให้หมด ย้อนกลับมาดูเรื่องการประกวดสวยหล่อเวทีประกวดประเภทนี้มีคนงานคอรอดูกันเยอะทั้งที่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเครื่องหน้าอย่างนี้ส้วโซงอย่างนั้นได้มาแต่ไหนลงทุนลงแรงไปเมื่อไรและเพราะงานแข่งสวยหล่อนั้นคือการเอาสมบัติติดตัวแต่เกิดมาประกวดกันโดยไม่มีใครอธิบายได้ว่าที่มาที่ไปของความสวยหล่อคืออะไร พูดง่ายๆว่าแพชนากันอย่างไรเหตุผลคนก็เลย อ, อิจฉาริษยากันอย่างไรเหตุผลไปด้วยคือถ้าอยากสวยหรือหล่อให้เท่ากันก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรถูกเพราะแต่งหน้าทาปากก็แล้วทำศัลยะกรรมก็แล้วอย่างไรก็ไม่เห็นสู้ใหมายเลขหนึ่งได้เสียทีในไทยเราพูดกันจนติดปากว่าสวยเพราะบุญเก่า เคยทำบุญมาดีหน้าตาถึงเหมาะเจาะจิ้มลิ้มพริ้มเผาฟังฟังกันก็รู้สึกชินชินธรรมดาธรรมดาเอาเป็นว่าสวยหล่อพระบุญเก่าแต่หากดูฝรั่งเขาวิจารณ์กันก็จะไม่มีธรรมเนียมนี้นะครับฝรั่งไม่รู้สึกหรอกว่าสวยหล่อพระบุญเก่าผมไม่แน่ใจว่ามีสักกี่ประเทศที่พูดเป็นธรรมเนียมนิยมแบบไทย คือปลูกฝังความเชื่อด้วยคำอธิบายสั้นๆว่าเพราะบุญเก่าเชื่อตามหลักกรรมวิบากมันก็ใช่อยู่สวยหล่อก็เพราะบุญเก่าจริงๆแต่ทีนี้ถ้าเด็กรุ่นใหม่ถามเราว่าบุญเก่าที่ว่านั่นคืออะไรส่วนใหญ่ก็มักอ้ำอ้อึ้งๆและมีไม่น้อยที่แนะกันว่าพอทำบุญส่บาตพระก็ให้อธิษฐาน เช่นเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้งามเลิศอย่าได้มีใครเกินหน้าข้อเด็กหลวงเชื่อทำบุญและอธิษฐานด้วยจิตนึกคิดอย่างนั้นจริงๆก็เท่ากับสร้างพบแห่งการชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยากันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเรียบร้อยสำคัญกว่าอะไรนะครับถ้าทำบุญและอธิษฐานด้วยความโลภขอให้มีรูปร่างหน้าตาดีเกินใคร ผลกรรมอาจบันดาลให้เกิดใหม่มีรูปร่างหน้าตาดีจริงแต่จะดีแบบร้ายร้ายไม่ใช่ดีแบบอ่อนหวานคือเห็นแล้วไม่ใช่ความงามที่ทำให้สบายตาสบายใจแต่มีความเร่าร้อนแฝงอยู่ซึ่งนั่นก็คือการมีหน้าตาดีเพื่อดึงดูดเข้าไปสู่วงจรร้อนร้อนชวนว้าวุ่นฟุ้งซ่านแก่เจ้าตัวเอง ควมงามแห่งรูปกายนั้นโดยที่แท้พระพุทธเ จ, เจ้าตรัสว่ามาจากจิตคิดทําบุญประเภทต่างๆด้วยความเลื่อมใสในกุศลพูดง่ายๆคือทําบุญด้วยความปลื้มในบุญมีปีติมีความสุขมีความอิ่มเอิมเปรมใจในบุญไม่ใช่ทําศักดิ์แต่ทําแบบแห้งแล้งไม่ใช่ทําบุญเพื่อลงทุนเอาหน้าหรือค่ากําไรในทางใดทางหนึ่งหากอยากทราบว่า คุณทาบุญด้วยจิตอันเป็นเชื้อความงามอยู่หรือไม่ขอให้ลองนึกถึงขณะทำทานว่ามีความอยากให้มีความอยากช่วยเหลือออกมาจากส่วนลึกแล้วปราบเรื่อมยินดีที่ช่วยเหลือเจือจานสาเร็จไหมพอระลึกถึงคราวใดยังปราบเปื้อไม่รู้หายไหมหากเป็นไปตามนี้ก็นั่นแหละครับอาการของจิตที่เป็นไปเพื่อความมีรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้ถวายทานกับพระผู้ทรงศีลด้วยอาการดังกล่าวผลจะยิ่งแจ่มเจรัญยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเพราะได้สนามพลังศักดิ์สิทธิ์มาเป็นแรงช่วยขยายนอกจากทานก็เป็นเรื่องของการรักษาศีลด้สะอาดเมื่อจิตใจไม่สกปรกรูปร่างก็ดูสมส่วนเมื่อจิตใจไม่บิดเบี้ยวหน้าตาก็ไม่วิปริตผิดเพี้ยน ความสมส่วนของรูปร่างหน้าตาในอนาคตจะขึ้นตรงกับความสะอาดของศีลถ้าอยากรู้ว่าคุณจะมีอะไรบิดบิดเบี้ยวเบียวไหมขอให้ดูจากใจเถอะว่าขณะมีเรื่องยั่วยวนให้คิดละเมิดศีลคุณทําทันทีด้วยความเต็มใจหรือกระทั่งสักใจหรือไม่หากใช่ก็ขอให้ทราบเถอะว่านั่นคือส่วนแห่งการตกแต่งเครื่องหน้า หรือองค์าพยพน้อยใหญ่ให้ชวนเมือนไปแล้วแต่หากเป็นตรงข้ามถูกยั่วแล้วคุณปฏิเสธทันทีไม่มีมวลทินแก่ใจเลยสักนิดเดียวก็ขอให้ทราบเถิดว่านั่นคือเป็นที่มาของความสมส่วนยิ่งศีลคุณสะอาดได้มากข้อเพียงใดหน้าตาก็จะยิ่งไร้ทิฏฐิเพียงนั้น สติของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นกระจกส่องวิญญาณให้ตัวเองได้ครับหากมีความเลื่อมใสปราบปลืมในการให้ทานเป็นปกติคุณจะรู้สึกออกมาจากข้างในว่าจิตผ่องใสและใจดีมีประกายหน้าพิสมัยหากมีความรักสะอาดปราศจากมนทินในศีลห้าเป็นปกติคุณจะเห็นออกมาจากข้างในว่าจิตใจหนักแน่นได้ดุลและมีความสมส่วน ก, นกันกับความรู้สึกงดงามทั้งหลาย เอาละถ้าเชื่อว่าความสวยความหล่อเป็นผลของทานและศีลในอดีตชาติก็แปลว่าการประกวดนางงามหรือนายหลอ่อที่แท้คือการประกวดบุญเก่านั่นเองการชนะประกวดแต่ละครั้งถ้าหากไม่มีการตุกติกเล่นเส้นเล่นสายก็พอฟ้องขนาดบุญเก่าได้ว่าใครใหญ่กว่าใครในที่นั้นต่อถามว่าการประกวดสวยหลอ่อจัดเป็นบุญหรือเป็นบาป ก็ต้องดูเจตนาในปัจจุบันแน่นอนว่าเกือบร้อยทั้งร้อยคืออยากเป็นดาวเด่นซึ่งการจะเป็นดาวเด่นเหนือคนอื่นก็คือต้องใช้ไหลของคนอื่นเป็นบันไดขึ้นไปถึงตำแหน่งดาวนั่นเองเข้าหลักพุทธพจน์ที่ว่าผู้แพ้ย่อมนอนไม่หลับส่วนผู้ชนะย่อมได้ชื่อว่าก่อเวรไม่แตกต่างจากกิจกรรมอื่ น, นเช่นการแข่งกีฬาการแข่งกันทาธุรกิจ ตลอดจนการแข่งกันชิงตำแหน่งราชการการก่อเวนด้วยความเป็นผู้ชนะนั้นกระเดียดไปทางบาปแต่ก็ไม่เชิงว่าผิดศีลธรรมอันใดตราบเท่าที่ยังไม่มีการคดโกงหลายคนคงมองออกว่าถ้าปราศจากการแข่งขันก็คงต้องบวชเป็นพระเพราะพระมีหน้าที่อย่างเดียวคือแข่งกับกิเลสสู้กับกิเลส เพื่อทำมักคผลนิพพานให้แจง้งพูดง่ายๆว่าถ้ายัางรักจะเป็นคารวาสก็หลีกเลี่ยงการแข่งขันไม่ได้หมายเหตุว่าแต่ในไทยสมัยนี้พอเป็นพระก็ต้องมีสอบแข่งกันอายดเสียมากแตกต่างจากสมัยพุทธกาลเป็นคนละเรื่องแล้วครับการแข่งแต่ละประเภทมีเหตุผลมีน้ำหนักความสมควร และมีปัจจัยพิจารณาชี้ขาดแพ้ชนะต่างๆกันไปยิ่งใช้ความสามารถหรือสติปัญญาในการแข่งมากขึ้นเท่าใดรูปชีวิตของผู้เข้าแข่งขันก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นเท่านั้นหากเอาบุญเก่ามาประกวดท่าเดียวก็มักจะต้องมีรูปชีวิตที่ขาดเหตุผลหรือใช้เหตุผลน้อยคือต้องใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นใหญ่เป็นประธานเสมอเสมอ การประกวดนางงามหรือนายหล่อถ้าแทรกเรื่องความสามารถพิเศษเรื่องการทําคุณแก่สังคมเรื่องการเป็นภาพดึงดูดใจเยาวชนมาสนใจสิ่งดีงามผมว่าก็เป็นหนทางแบบโลกโลกที่น่าให้การยอมรับเพราะสำหรับเยาวชนด้วยกันคงไม่มีสิ่งใดเป็นแม่เหล็กดึงดูดได้ดีไปกว่าคนสวยคนหล่อซึ่งมีความสามารถสูงและมีบุคลิกเป็นผู้นา การเอาบุคลิกลักษณะหน้าตามาชักชวนคนให้ฝ่ายดีย่อมมีผลเป็นการส่งเสริมราศีให้ดูดียิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่การประกวดก็มีหลายระดับหลายวัตถุประสงค์หากเป้าหมายแท้จริงของการประกวดเน้นหนักไปทางการมารมันนี้ก็เท่ากับเอาบุญเก่ามาเผาทิ้งเสดด้วยเพลิงราคะ ชาตินี้สวยด้วยฐานและศีลของปางก่อนชาติหน้าคงต้องขี้เรโด้วยธุรกรรมของปางปัจจุบันนี้เอง